ย้อนผ่อนท่านผู้มีจิตศรัทธาในความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบธันวาคมพุทธศักราชสอง9นห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายนั่งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีล มาฝึกนั่งสมาธิและฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะ <c oughs> การปฏิบัติการกระทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อจิตใจของพวกเราเหมือนกับปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ของพวกเราบุญกุศลหรือทำรรที่พระธเจ้าทรงสอนให้เราบำเพ็ญทรงสอนให้เราปฏิบัติอันนี้ก็เป็นความจำเป็นต่อจิตใจร่างกายถ้าไม่มีอาหารไม่มียารักษาโรคไม่มีเครื่องนึ่งหม่มไม่มีที่วย่วาัยร่างกายก็จะต้องเดือดร้อนจะอยู่ไม่เป็นสุข และอาจจะต้องเสียชีวิตไปก็ได้ฉันใดจิตของพวกเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องมีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสี่ประการนี้เพราะว่าการทําทานนี้ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารการรักษาศีลก็เหมือนกับการ มีเสื้อผ้านุ่งเครื่องนุ่งหม่มไว้สวมใส่การนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกับการมีบ้านหลบแดดหลบฝนและการมีปัญญาก็เหมือนกับการมียารักษาโรคจิตใจคือโรคเครียดโรควุ่นวายใจต่างๆสามารถรักษาให้หายได้พวกเราทุกคนนี้สามารถอยู่กันอย่างไม่มีความเครียด ไม่มีความวิตกไม่มีความวังกังวลไม่มีความเดือดื้อร้อนใจไม่มีความเศร้าโศกเสียใจได้ถ้าพวกเรามีปัญญาไว้คอยดูแลรักษาจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราจะอิ่มจะสุขจะสบาย <c oughs> ก็อยู่ที่การทำทางทำบุญเสียสลับ <c oughs> แบ่งปันสิ่งของ ที่เรามีมากเกินกว่าที่เราจะต้องเก็บเอาไว้เราก็เอามาเปลี่ยนเป็นอาหารให้กับใจอย่าเอาเงินทองไปซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราซื้อความสุขทางตาหูจมูกเื่นกายเช่นไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ เลยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็การใช้เงินแบบนี้เป็นเหนือนกับการซื้อยาเสพติดให้กับจิตใจไม่ได้เป็นการซื้ออาหารให้กับจิตใจเพราะจะไม่ทําให้จิตใจอิ่มจิตใจสุขแต่กลับจะทําให้หิวให้อยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้เราไปเที่ยวพอเรากลับมา ความสุขที่เราได้รับจากการไปเที่ยวก็หายไปแล้วความหิวความอยากเที่ยวใหม่ก็โผล่ขึ้นมาทาให้เราอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะใจไม่ได้รับอาหารได้รับแต่ยาเสกติดคิดดูถ้าเราเสพตยาเสพติดเราไม่กินนะเราไม่รับประทานอาหารร่างกายของพวกเราจะเป็นอย่างไรร่างกายของพวกเราก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้ จะต้องตายไปอย่างแน่นอนแต่โชคดีที่ใจของพวกเรานี้มันไม่ตายเหมือนร่างกายแต่มันต้องทุกทรมานไปกับความอยากต่างๆเพราะเมื่อได้ทําตามความอยากแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยมันไม่หมดการทําตามความอยากไม่ได้ทําให้ความอยากหมดไปแต่จะทําให้เกิดความอยากใหม่เพิ่มขึ้นมาเช่นวันนี้นเราไป <th i> เห็นของที่เราชอบเราซื้อมาเราก็มีความสุขดีใจเดียวเดียวแล้วเดียวพอเห็นของใหม่ก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่แล้วถ้าไม่ได้ซื้อใจกับเราก็หงุดหงิดไม่สบายใจลาคาใจอารมณ์เสียง่ายเวลาเรามีความอยากแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากนี่เราจะโกรธง่ายเราจะเสียใจง่ายเราจะน้อยใจง่าย พอใจไม่มีอาหารที่จะทำให้ใจไม่โกรธไม่เสียใจนั่นเองแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกืินกายเอามาทำบุญเอามาทำทานเอาเอาเงินมานี้จะทำที่ไหนก็ได้ทำที่วัดก็ได้ทำที่โรงพยาบาลก็ได้ทำที่โรงเรียนก็ได้ คาที่สถานเด็กกำพร้าเด็กพิการคนชราที่ไหนก็ได้ที่เขาต้องการความช่วยเหลือถ้าเราไปให้ความช่วยเหลือกับเขาแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เราจะไปเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่เราจะเอาไปเที่ยวกันนี้มาทำบุญทำทานแล้วใจเราจะเกิดความอิ่มขึ้นมาความอยากเที่ยวมันจะหายไป ความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆจะหายไปทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปเที่ยวเอามาทําบุญเถิดแล้วใจของเราจะอิ่มเอิบมีความสุขจะไม่มีความอยากเที่ยวอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอันนี้เป็นขั้นขั้นแรกในการที่เราจะกําจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆ อยากไม่อยากแบบไม่มีวันพออยากเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็จะไม่พอเพราะความพอไม่ได้อยู่ที่การทำตามความอยากจะอยู่ที่การไม่ทำตามความอยากเวลาอยากจะใช้เงินไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ ท, ท, ทั้งที่เรามีเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเอาไปทำบุญทำทานได้ แล้วใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจแล้วเราจะไม่หิวไม่อยากที่จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ถ้าจะซื้อก็ต้องจำเป็นจริงๆมีเหตุผลจริงๆเช่นมันใส่ไม่ได้แล้วมันขาดแล้วหรือว่าจำเป็นจะต้องใส่ชุดนี้เพื่อไปทํางานที่นั่นที่นี่เขาบังคับให้ใส่เครื่องแบบเราก็ต้องซื้อใหม่ถ้าเราไม่มี ถ้าซื้อของแบบนี้ซื้อด้วยความจำเป็นซื้อด้วยเหตุด้วยผลนี้มันจะไม่มันจะไม่ทำให้เราอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อเท่าที่มีเหตุให้เราซื้อถ้าเราไม่มีเหตุถ้าเราอยากจะใช้เงินเอาเงินนี้ไปทาบุญทำทานดีกว่าเท่ากับการให้อาหารกับใจใจเราจะอิ่มอย่างเวลาญาติโยมมาทำบุญที่นี่จะมีความอิ่มเอิบใจกลับไปที่บ้าน ไม่ค่อยหิวกับอะไรท่าไหร่มีกินมีอะไรกินก็กินไปไม่มีก็ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะใจได้อาหารแล้วส่วนร่างกายนี้เราก็ <c oughs> ให้มันตามปกติอยู่แล้วถึงเวลามันก็ได้กินดังนั้นขอให้เรามาทาบุญทาทานกันว่ามีคุณมีประโยชน์มากสำหรับจิตใจของเราอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนั้นยังเป็นเหมือนกับการเอาเงินทองไปฝากไว้ในธนาคารบุญด้วยเวลาเราตายไปเราสามารถเอาบุญนี้ติดตัวไปกับเราถ้าเราไม่บุญไปเราจะไม่ไปเป็นขอทานในโลกทิพย์เราจะเป็นเศรษฐีเราจะเป็นพวกเทวดาพวกที่มีความสุขจากอาหารทิพย์จาก ของทริปต่างๆแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญทําทานเลยเวลาเราไปนี้เราจะไปเหมือนขอทานเพราะเราไม่มีบุญติดตัวไปเอาเอาบุญติดตัวไปไม่ได้แลวเวลาที่เรากลับมาถ้าเราไม่ได้ทำบุญเรากลับมาเราเกิดมาเกิดใหม่เราก็จะกลับมาเกิดยากจนแต่ถ้าเราทำบุญทําทานเรามีเงินฝากไว้ในธนาคาร พอเรากลับมาเกิดใหม่เราก็มาเบิกเงินที่เราฝากไว้ได้บวกดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยนี่ได้หลายหลายเท่าด้วยกันเพราะกว่าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้อาจจะเป็นสิปีร้อยปีก็ได้ดอกเบีย้ยที่เราฝากไว้เนี่ยธนาคารบุญนี้มันก็จะมีมากกว่าต้นที่เราทำซะอีกเั้นเราทำบุญไปเรื่อ ย, เ, อยเวลาเรากลับมาเกิด เราจะได้บุญมากกว่าเราจะได้เงินทองมากกว่าเก่าที่เรามีอยู่นี่คือประโยชน์ของการทำบุญและอีกประโยชน์หนึ่งก็คือมันจะทำให้เร า, เาสามารถก้าวขึ้นสู่การบําเพ็ญการปฏิบัติต่อธรรมที่สูงกว่านี้ได้ถ้าเราทำบุญทำทานจิตใจของเราจะมีความเมตตาจิตใจของเราจะ มีความคิดที่ดีมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นเพราะคนทาบุญนี้มีความเมตตาอยากจะให้คนอื่นมีความสุขนะอย่างญาติโยมนี่อยากให้พระมีความสุขกันไม่อยากให้พระอดอยากขาดแคลนก็เลยอุตส่าห์ซื้อข้าวซื้อของอาหารข้าวหวานต่าง มาใส่บาทมาถวายพระทำให้พระอยู่กันอย่างอิ่มหนาสำราญไม่ไม่ไมอดอยากขาดแคลน<อ>เพื่อท่านจะได้ทำหน้าที่ของท่านก็คือศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติพระธรม ร, ะธรมคำสอนพอท่านได้สำเร็จบรรลุแล้วท่านก็จะสามารถเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาสั่งสอนยาวยงได้อีกต่อเ น, นึ่ง ญาญโญเมื่อได้ยินได้ฟังญาญโยมก็เอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติญาญโญก็จะได้บรรลุธรรมเช่นเดียวกันนี่คือวิธีที่จะทําให้พระพุทธศาสนาของพวกเราอยู่กันไปนานๆอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การเผยแผ่อบรมสั่งสอนศาสนาของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุต่างๆ เช่นโบสถ์เจดีย์กุฏิวิหารอะไรต่างๆเพราะสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ น, นี้ไม่มีเลยไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีกุฏิพระพุทธเจ้าอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อนผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเมือนร้างเพราะว่าศาสนานี้อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ สสารและ ว, วัตถุต่างๆไม่สามารถที่จะทําให้จิตใจของพวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ตอนนี้พวกเรามีข้าวของเงินทองมีอะไรเยอะแยะไปหมดมีรถยนต์มีบ้านแต่ทำไมจิตใจของพวกเรายังทุกข์อย่างวุ่นวายกันอยู่ก็เพราะของต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ในใจของพวกเราได้ สิ่งที่จะกำจัดความทุกข์ในใจของพวกเราได้ก็คือการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญานี้เท่านั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลังจากที่ทรงหลุดพ้นแล้วท่านก็เอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียว วัดนี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาของญาติโยมที่สงสารเห็นพระไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเห็นอยู่ตามเงื้อมผาตามถ้ำตามโคนไม้ก็เลยมีความปรารถนาที่อยากจะตอบอตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ได้นำเอาธรรมะอันวิเศษมาเผยแผ่สั่งสอนก็เลยมีการร่วมจิตร่วมใจ สร้างวัดสร้างปุติสร้างอะไรขึ้นขึ้นมาแต่อยากจะให้ทราบว่า ว, วาัวาดต่างๆถาวรลวัตถุต่างๆนี้ไม่ได้เป็นตัวสองสาศาสนาตัวของาศาสนาก็คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้พระธรรมที่ทําให้พระไทยของพระองค์นั้นหลุดพ้นจากความทุกข์พระธรรมนี้จะเกิดได้ก็ต้องเกิดจากการทําทานเกิดจากการรักษาศรรีล เกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการเจริญปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่แหละคือตัวศาสนาของพวกเราไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่เจดีย์อยู่ที่พระพุทธรูปนะเพราะโบสถ์เจดีย์พระพุทธรูปนี้ไม่สามารถทําให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ อยู่ที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เผยแผ่โดยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอริยสงสาวกทั้งหลายเท่านั้นท่านถึงจะสามารถเอาธรรมแท้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราได้ถ้าเป็นพระสงฆ์ที่ยังไม่บรรลุท่านจะไม่เอาธรรมแท้มาเผยแผ่ท่านจะมาเอาธรรมไม่แท้คือมา พาญาโยมสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างอะไรต่างๆสร้างไปก็รับรองได้ว่าไม่มีวันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ก็อาจจะได้เพียงเล็กน้อยเพราะเป็นการทำทานคือแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็เอาเงินมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างอะไรกัน แต่อันนี้ก็เป็นเพียงการบำเพ็ญขั้นต้นเท่านั้นขั้นที่หนึ่งหลังจากที่เราทำดีทำทานได้แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำขั้นต่อไปก็คือต้องรักษาศีลกันต้องรักษาศีลให้เป็นนิจศีลให้เป็นศีลปกติคือเรารักษาทุกวันไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามาวัดมาขอศีลเท่านั้นศีล น, นี้ก็คือศีลห้า สีหานี้เราควรที่จะรักษากันให้เป็นปกติให้เป็นนิสัยเพราะถ้าเรามีสีหาเป็นนิสัยแล้วตายไปเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้าเราทำบุญควบคู่ไปกับการรักษาสีหาตายไปเราก็จะไปเป็นเทวดากันจะไปเป็นเศรษฐีจะไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์กันโลกของเทวดาก็คือโลก ที่ท่องเที่ยวกันสถานที่ท่องเที่ยวดีๆนี่เองแต่ถ้าเราไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลเราก็ต้องไปเกิดในอบายแทนแทนที่จะไปเป็นเทวดาก็ไปเป็นเปรตหรือไปเป็นเดลฉานหรือถ้าทำกับทำบาปหนักก็ต้องไปนรกกันนี่คือศีลการประพฤติปฏิบัติข้อที่สอง หลังจากที่เราทำบุญทำทานได้แล้วเราจะมีกำลังมารักษาสีนกันได้แต่ถ้าเรายังไม่มีกำลังที่จะทำบุญทำทานนี้เราจะรักษาสินไม่ได้รักษาศินยากเพราะใจเรายังโลภอยากหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาไปเที่ยวกันเที่ยวหมดแล้วก็ต้องมาหาเงินใหม่ หาเงินก็อยากจะหาได้ง่ายๆหาได้เร็วๆหาได้มากๆวิธีหาแบบง่ายๆเร็วๆมากๆก็ต้องโกโหกหลอกลวงช่อโกงเนี่ยขายของแบบเอาของไม่ดีมาขายบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้หลอกลวงคนซื้อว่าเป็นของดีแต่เอาของไม่ดีมาขายแล้วก็ทำให้เนี่ยต้อง ทำบาปไม่สามารถรักษาศีลห้าได้แต่ถ้าคนที่ทำบุญอยู่เรื่อยๆจะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินฟุม่มเฟือยซื้อของฟุม่มเฟือยเรือเอาเงินไปเที่ยวเงินก็จะมีเหลือใช้ไว้สําหรับซื้อของจําเป็นเช่นซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคเป็นต้นก็ <c oughs> จะทําให้ไม่ต้องหาเงินหาทองแบบต้องแบบทําบาปหาแบบทําแบบไม่ต้องทําแบาปก็ได้ เอาของดีมาขายขายตามตามเหตุตามผลไม่ไม่โกหกหลอกลวงว่าซื้อมาเท่านั้นเท่านี้ขายเท่านั้นเท่านี้ขายซื้อมาเท่าไหร่ก็บอกไปขายเท่าไหร่ก็บอกไปตามความเป็นจริงเพราะไม่เดือดร้อนถ้าคนไม่ซื้อก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเหมือนกับคนที่ต้องเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ คนที่ทำบุญจึงสามารถทำมาหากินได้อย่างสุดจริตไม่ต้องทำบาปสามารถรักษาศีลห้าได้นี่คือและการรักษาศีลห้าก็จะทำให้เราพ้นจากอบายการไปเกิดอบายนี้เหมือนกับการไปติดคุกการไปเกิดในสวรรค์นี้เหมือนกับไปท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างไหนจะดีกว่ากัน ให้เลือกระหว่างไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับไปติดคุกนี่เราอยากจะไปที่ไหนกันถ้าเราอยากจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ก็ขอให้ทําบุญทําทานและรักษาศีลห้าไปแล้วเราก็จะ <c oughs> ไปอย่างสบายแต่ถ้าเราไม่ทําบุญทําทานเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยหมดพอเวลาหาเงินก็ต้องหาด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการช้อโกง ตายไปก็ไปไปเกิดในอบายไปเป็นเปรตไปเป็นเดราาัจฉานนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทํากันเพราะจะทําให้จิตใจของเรานี่มีความสุขมากขึ้นทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราเป็นคนมีศีลเราก็จะเป็นคนน่ารักคนสวยงามน คนที่มีสีนี้ไม่มีใครรังเกียจถึงแม้ว่าจะไม่สวยงามทางร่างกายไม่ได้สวยงามด้วยเสื้อผ้าอภารรแต่เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่ไม่ชอบโกงไม่ทาร้ายผู้อื่นนี้ไม่มีใครเข้ารัางเกียจต่างกับคนที่สวยงามทางร่างกายแต่ไม่มีสีถ้า ตอนต้นไม่รู้ค่ะ จ, จะคิดว่าเป็นคนดีคนน่ารักเพราะว่าเห็นแต่งกายสวยงามหน้าตาสวยงามแต่พอได้เห็นทิสายว่าโกหกชอบรักทรัพย์ชอบไปแย่งสามีภรรยาของผู้อื่นคนนั้นถึงแม้จะให้สวยอย่างไรก็ไม่มีใครเขารักเขาชอบไม่มีใครอยากจะให้อยู่ด้วยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมาอยู่เดี๋ยวจะมาขโมยข้าวของ ขโมยสามีขโมยภรรยาเข้าไปดังนั้นการที่เรามารักษาศีลได้นี่จะทำให้เราเป็นคนสวยงามมีเสื้อผ้ า, าพรที่สวยงามที่สวยกว่าทางร่างกายเพราะความสวยงามทางจิตใจนี้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แก่ไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนกับความสวยงามทางร่างกายเราให้สวยขนาดไหนเดี๋ยวอยู่ไปได้ไม่กี่ปีก็แก่ลงไป สวยยังไงพอแก่แล้วดูยงไงก็ไม่สวยอีกแล้วแต่ถ้าคนที่มีศีนี้สวยไปตลอดสวยไปจนวันตายนี่คือเสื้อผ้าอภรรตของพวกเราที่พวกเราควรที่จะหามาสวมใส่กันอย่าไปซื้อเสื้อผ้าตามร้านต่างๆอันนั้นเป็นของร่างกายซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเราร่างกายนี้เป็นเหมือนคนใช้เราเวลาที่เราแต่งตัว ให้กับร่างกายนี้เหมือนกับเราแต่งตัวให้คนรับใช้แต่เราคู่เป็นเจ้าเจ้านายกับไม่ได้แต่งตัวเพราะเราไม่มีศีลกันถ้าเราอยากจะแต่งตัวให้พวกเราให้สวยงามเรามารักษาศีลกันเรื่องร่างกายช่างมันมันเป็นคนใช้ไปแต่งตัวให้มันสวยทํา ง, งามทำไมคนถ้าเขาจะรักเราเขาไม่ได้รักที่ร่างกายหรอกเขารักที่ใจ เขาจะอยู่กับเราได้ไม่ได้นี้เขาอยู่ที่อยู่ที่ใจของเราเพราะว่าต่อไปเราก็ต้องแก่ลงไปแต่ถ้าใจเราสวยเขาจะอยู่กับเราไปจนลอนตายเลยนี่คือเสื้อผ้าอา่อนคือศีลห้าแล้วถ้าเราอยากที่จะมีที่อยู่อาศัยไว้หลบภัยต่างๆสำหรับจิตใจเกิด ค, ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเราก็ต้องรักษาศีลแปด แล้วก็ไปหัดนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ไปอยู่วัดเวลามีความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่สบายใจอยากจะฆ่าตัวตายอยากฆ่าตัวตายไปอยู่วัดดีกว่าไปถือศีลแปดไปหัดไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าใจสงบได้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจะหายไปความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายก็จะหายไป อันนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกเราคือสมาธิขอให้เราหาเวลามาอยู่วัดกันมารักษาศีลแปดกันมาฝึกทำสมาธิกันเพราะเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะได้นั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันถ้าเราทำเป็นแล้วเราไม่ต้องมาวัดเวลาเราอยู่บ้านไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้เราก็นั่งสมาธิไป ทำใจให้สงบใจสงบแล้วความไม่สบายใ จ, จ้าจะหายไปแต่จะหายเพียงชั่วคราวพอเราออกมาเห็นเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจก็อาจจะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาได้อีกถ้าเราอยากจะรักษาความไม่สบายใจนี่ให้หายอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ยาคือปัญญายาคือปัญญาคืออะไรคือความรู้ตามความเป็นจริง ตอนนี้เรารู้ไม่ตามความเป็นจริงเรารู้ตามความหลงสิ่งที่เราเห็นนี้เรามักจะไปคิดว่าเป็นของที่ให้ความสุขกับเราเป็นของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าของทุกอย่างนี้มันจะให้ความทุกข์กับเราเพราะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เป็นของเรา มันจะต้องมีความจากเราไปหรือเราจะต้องจากมันไปถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเราก็จะปล่อยวางได้เราก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่ไปอยากให้เขาอยู่กับเราไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงอยากจะให้เขาดีกับเราไปตลอดพอเวลาเขาไม่ดีขึ้นมาเราก็จะเสียใจขึ้นมาทันที แต่ถ้าเรารู้ว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงเขาก็เป็นเหมือนเราบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ไม่ดีวันที่อารมณ์ไม่ดีเราจะไปหวังให้เขาดีกับเราได้อย่างไรถ้าเรารู้เรื่องหน้าเวลาเขาไม่ดีกับเราเวลาเขาด่าเราเราก็จะได้ไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจเพราะเรารู้ด้วยปัญญาว่าเขาต้องเปลี่ยนเขาไม่มีวันที่จะดีกับเราไปทุกวัน หรือว่าถ้าเขาจะต้องจากเราไปเราก็รู้ล่วงหน้าเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นของเราของทุกอย่างที่เราไม่อยู่นี้สักวันหนึงไม่ไม่เขาจากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงต้องมีวันเปลี่ยนแปลงรู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราจะต้องมีการจากกันถ้าเรารู้เราก็จะไม่ไปยึดไปติด จะไม่ไปอยากให้เขาเที่ยงจะไม่ไปอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอดพอเราไม่มีความอยากเหล่านี้เวลาเขาเปลี่ยนไปเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่เสียใจเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่เสียใจเพราะเรามีปัญญามียารักษาโลคใจถ้าเรามีปัญญาแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรต่าง เราจะไม่เดือดร้อนเลยเราจะสามารถอยู่อย่างสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คื อ, อยารักษาโรคใจจะทําให้ความทุกข์ใจนี้หายอย่างถาวรสมาธินี่ก็เป็นเพียงแต่ดับชั่วคราวเหมือนหลบเข้าไปในบ้านแต่พอเราออกมานอกบ้านมาเจอเหตุการณ์ก็ทุกข์อีกถ้าเราจะไม่ทุกข์เราต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา แล้วเราจะได้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติไม่อยากให้เขาเที่ยงไม่อยากให้เขาเป็นของเราไปตลอดแล้วใจของเราจะไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปและจะไม่หลงกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะรู้ว่าโลกนี้มันโลกของความทุกข์การมาเกิดนี้เป็นการมาหาความทุกข์ไม่ได้เป็นการมาหาความสุขเมื่อรู้แล้วเราก็หยุดหยุดกลรมาเกิดได้เราก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป นี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกทั้งหลายท่านมีบัจจัยสี่คือมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจึงทำให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้พวกเราก็สามารถหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการปฏิบัตินี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งสิ้น ใครก็ได้เป็นหญิงเป็นชายก็ได้เป็นเด็กผู้ใหญ่ก็ได้เป็นคาราว่าผู้ครองเรือนก็ได้เป็นนักบวชก็ได้ถ้ามีทางศีลสมาธิปัญญาแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยกันทุกคนแต่ถ้าไม่มีทางศีลสมาธิปัญญาจะเป็นนักบวชก็ arn, arn, arn, หลุดพ้นไม่ได้จะเป็นคาราว่าก็หลุดพ้นไม่ได้จะเป็นชายก็ไม่ได้เป็นหญิงก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็น เป็นสิ่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นกันสิ่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นก็คือการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาเท่านั้นถ้าเรามีรับรองได้ว่าหลุดพ้นเนี่ยได้ได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าที่พระนิพพานได้อย่างแน่นอนขอให้เราเชื่อและทำตามจนแล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ต่างๆจะหมดไปการเวียนว่ายตายเกิดจะหมดไป การที่เราไม่ได้มาเกิดไม่ได้หมายความว่าเราสูญหายไปเรายังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนตอนที่เราอยู่ขณะ น, นี้แต่ดีกว่าขณะ น, นี้ดีตรงที่ไม่ต้องทุกขกับอะไรดีที่ตรงที่มีความสุขตลอดเวลาตอนนี้เรามีแต่ความสุขประเดี๋ยวประดาวแล้วเดี๋ยวก็มีความทุกข์มาให้เราทุกข์กันจะไม่เป็นแบบนี้ต่อไปถ้าเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ยิ่งขอให้พวกเราอย่า ก, กลัวว่าการดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะทำให้เราสูญหายไปจะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรไม่ต้องกังวลเราจะมีความสุขมากกว่ามีเพื่อนอยู่คนเดียวนี่แหละสุขยิ่งกว่ามีอะไรมีแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหากันมีเพื่อนเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันใช่เดี๋ยวก็ต้องตีกันด่ากันอิจฉาลิสยากันมีไปทำไมอยู่คนเดียวดีกว่าสบาย